เรื่องที่18นักเลงใหญ่ถ้าใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอ้ว น, นี่แหละนักเลงบางลำพูท่านผู้อ่านจะเข้าใจว่านายคนนั้นเป็นคนประเภทไหนแน่นอนกี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องเข้าใจไปทางเดียวกันทั้งสิ้นว่าแกจะต้องเป็นคนเกเรและเกะกะอรารวาสอยู่แถวบางลำพูที่จะเข้าใจว่าเขาผู้นั้นเป็นสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ เห็นจะไม่มีเพราะอะไรท่านจึงเข้าใจเขาอย่างนั้นก็เพราะคนไทยเราส่วนมากรู้สึกขยะดคนที่เป็นนักเลงไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากก่อแกะด้วยเจ็บตัวเปล่าๆแต่ที่จริงนักเลงไม่ใช่จะเกเรเสมอไปคำว่านักเลงเป็นคากลางๆอาจใช้ทางดีหรือทางเสียก็ได้คำว่านักแปละว่ามาก คำว่าเลงแปลว่าเก่งถ้าเอาต่อกันเข้าคำว่านักเลงก็แปลว่าเก่งมากเท่านั้นเองคนเก่งมากนั้นอาจเก่งในทางดีหรือเก่งในทางเสียก็ได้เพราะฉะนั้นนักเลงจึงมีทั้งดีทั้งเสียนักเลงดีก็เช่นนักเลงกรอนหรือนักเลงหนังสือเป็นต้นส่วนนักเลงเสียมีแยะเช่นนักเลงอันธพาล นักเลงการพนันและนักเลงผู้หญิงเป็นต้นชั้นยอดจริงๆพระพุทธองค์ระบุชื่อไว้ทั้งหมด6นักเลงเอาไว้นับตอนจะจบก็แล้วกันชี้ตัวนักเลงเสร็จแล้วจะได้หนีไปเลยรู้แล้วรู้รอดพอพูดถึงพวกนักนักแถมอีกสักหน่อยคือพวกนักนี่ภาษาไทยเราดูเหมือนจะแยกไว้สองชั้นคือนักเฉยเฉย นักเลงต่างกันอย่างไรยังไม่เคยเห็นท่านผู้รู้อธิบายไว้แต่ฟังตามสำนวนรู้สึกว่านักเฉยๆยังเป็นรองนักเลงคือนักเลงต้องแน่กว่าอย่างเช่นนักเรียนกับนักเลงหนังสือมันมือคนละชั้นนักเรียนจะอ่านจะท่องก็เฉพาะแต่หนังสือเรียนหนังสืออื่นไม่สนใจหรือสนใจก็น้อย ส่วนนักเลงหนังสือเขาหมกมุ่นอยู่กับหนังสือจริงๆเห็นหนังสือเป็นไม่ได้ให้มีอันอยากจับอยากดูอยากอ่านอยากได้เหมือนกับเด็กเห็นท็อฟฟี่หรือไม่ก็เหมือนกับหนุ่มๆเห็นสาวๆอย่างนั้นแต่จะเหมาเอาว่านักเลงก็เลื่อนขึ้นมาจากนักเฉยๆก็ไม่ถูกเพราะนักบางประเภทเขาก็ไม่ได้ต่อยกันและแม้จะเก่งเท่าไรเท่าไร เขาก็ไม่เลื่อนขึ้นเป็นนักเลงอย่างเช่นนักมวยชกกิ่งจนกระทั่งเป็นแชมเปี้ยนโลกแล้วเขาก็ไม่เรียกว่านักเลงมวยคงเรียกว่านักมวยอยู่นั่นเองแต่คนดูมวยสิถ้าติดมวยจนกระทั่งนัดไหนนัดนั้นพักพวกก็มักจะให้ฉายาว่านักเลงมวยพวกแข่งม้าก็เหมือนกันเจ้าของม้าดูจะไม่มีหวังได้ครองตำแหน่งนักเลงม้า แต่พวกแทงม้าถ้าติดม้าจริงๆกลับมีหวังได้ครองตำแหน่งนักเลงมา้าคิดๆดูแล้วยุ่งระหว่างนักเฉยๆกับนักเลงจะขีดขั้นกันแค่ไหนเทียแรกว่าจะเอาวินัยเป็นเกณฑ์คือคนเก่งไม่มีวินยัยยกให้เป็นนักเลงถ้าเก่งมีวินยัยจึงเป็นนักเฉยๆเกณฑ์อันนี้ก็ไปได้ไม่รอดอีก อย่างเช่นนักจี้นักปล้นก็นักเฉยๆแต่ไม่เห็นมีวินัยอะไรขอตกลงเอาไว้ว่าตำแหน่งนักเลงยังหาเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะกำหนดคุณวุฒิหรือมีดีกรีขนาดไหนแน่แต่ได้ความชัดเจนว่านักเลงในทางดีก็มีไม่ใช่ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้วจะต้องเดือดร้อนกรมราชันเสมอไปความหมายของคำว่านักเลงที่ยุ่งยุ่ง ตามที่ว่ามานี้ความจริงยุ่งกันในพวกคนไทยเราเท่านั้นเพราะภาษาไทยเราบางคำก็ดิ้นได้และที่ดิ้นจนกระทั่งจับไม่อยู่เอาเลยก็มีแต่ลองค้นดูทางพระแล้วของท่านไม่ยุ่งนักเลงของแขกเขายกไว้เป็นพวกหนึ่งเลยทีเดียวนักเลงก็คือนักเลงคือแสดงตัวอย่างชัดๆเลยใครอยากว่าว่าไป คล้ายๆกับผู้หญิงโสเภณีในสมัยพุทธกาลเขาแสดงตัวว่าเป็นโสเภณีอย่างเต็มที่เหมือนกันในงานพิธีของราชการก็เชิญโสเภณีด้วยเสียดายว่าในสมัยนั้นเขาจะมีการพิมพ์นามบัตรหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามีเข้าใจว่าคงจะพิมพ์ไว้ในนามบัตรด้วยว่าเป็นโสเภณีสำนักไหนสมัยทุกวันนี้ของเรายังปกปิดกันไว้ ไม่กล้าแสดงตัวเต็มที่ต่อไปข้างหน้าอาจจะมีกระมังอย่างเช่นใครเป็นนักเลงก็คงจะพิมพ์ลงไว้ในนามบัตรด้วยว่าเป็นนักเลงตรอกไหนในคัมภีร์ทางศาสนาคำว่านักเลงท่านใช้คำว่าสนโทถ้าเป็นพระหุพจน์คือนักเลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้คำว่าสนทาเวลาแปลก็ เห็นท่านแปลตรงตัวเลยว่านักเลงจะหมายความในทางไม่ดีทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสนโทสนทาแล้วไม่เห็นมีดีสักรายเดียวรู้สึกว่าของท่านเข้าใจง่ายดีและลองสอบดูรายการบัญชีนักเลงของท่านก็ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆอีกมากผิดกับที่เข้าใจมาเดิมว่านักเลงมีฝีมือแต่ในทางชกต่อยเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นบัญชีแยกประเภทนักเลงตามที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาคือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประเภทคือหนักเลงการพนันสองนักเลงเจ้าชู้สามนักเลงสุราสี่นักเลงค้าของเถื่อนหนักเลงขี้ช่อและ6นักเลงอันภานรวมทั้งสิ้นมีหกนักเลงด้วยกัน ทั้งนี้คนคนเดียวอาจครองตำแหน่งนักเลงหลายๆตำแหน่งได้ยิ่งถ้าครองได้มากก็เลยเรียกว่านักเลงโตหรือถ้าครองครบทั้งหกสาขาก็เห็นจะเรียกว่ายอดนักเลงกระมังโปรโดพิจารณาความหมายอีกสักครั้งไม่เช่นนั้นอาจเข้าใจผิดได้คืออาจไปเที่ยวเหมาเอาใครๆว่าเป็นนักเลงไปเสียหมดนักเลงหมายเลขหนึ่งอักขีสนโธคือนักเลงการพนัน หมายความว่าจิตใจได้หลงไหลใฝ่ฝันกับการพนันจริงๆไม่มีทางที่จะถอนตัวออกได้หายใจเข้าก็คิดถึงการพนันหายใจออกก็คิดถึงการพนันเล่นได้แล้วก็เล่นอีกเล่นเสียแล้วก็เล่นอีกเล่นจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ยอมเลิกอย่างเช่นคนที่ติดเล่นบัตรเบอร์หรือในบางท้องถิ่นเรียกว่าเล่นแช์ บางรายรู้สึกว่าเป็นเอามากจริงๆเล่นจนหมดเกลี้ยงบ้านพอเงินหมดตัวขายวัววัวหมดขายควายควายหมดขายนานาหมดขายบ้านขายจนหมดทุกอย่างแล้วก็ยังคิดว่าตัวจะได้อยู่นั่นเองให้มีอันคิดว่าตัวฝันถูกแล้วแต่แก้ผิดหลวงพ่อให้แล้วแต่เราโง่องเองตีปัญหาไม่แตกเรื่องของเรื่องคือ จะเล่นอย่างไม่ยอมถอยการพนันขึ้นสมองขนาดนี้ท่านจึงเรียกว่านักเลงการพนันไม่ใช่ว่าเห็นใครซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบก็ว่าเขาเป็นนักเลงไม่ใช่อย่างนั้นนักเลงหมายเลขสองอิถีสนโถนักเลงเจ้าชู้ถ้าผู้ชายเป็นก็เรียกว่านักเลงหญิงถ้าผู้หญิงเป็นก็เรียกว่านักเลงชาย รวมความง่ายๆว่าเมาเพศตรงข้ามเรื่องนี้ก็ต้องทําความเข้าใจอีกเหมือนกันคือคนที่จะถูกเรียกว่าเป็นนักเลงประเภทนี้จะต้องถึงขั้นเมาเพศตรงข้ามเลเพลาดพาดไม่มีขอบเขตเอาจริงๆหากคนที่เขารักกันอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแม้จะรักพร้อมกันหลายคนมีพร้อมกันหลายคนแต่มีขอบเขตเป็นเนื้อเป็นตัว ก็ไม่นับว่าเป็นนักเลงเพราะเป็นเรื่องของความรักความต้องการตามธรรมดาเหมือนอย่างคนกินข้าวหากินเป็นมือ้อเป็นคราวถึงจะกินอาหารหลายอย่างเขาก็ไม่เรียกว่าคนเห็นแก่กินคนเห็นแก่กินนั้นมันเป็นประเภทตะกระเห็นของกินไม่ได้เช่นเดียวกันคนรักคนหลายคนก็ไม่แน่นักว่าจะเป็นคนเจ้าชู้ หรือนักเลงหญิงนักเลงหมายเลข3สุราสนโทนักเลงสุราหมายถึงคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งมึนเมาให้โทษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้าฟินกัญชาเฮโร อ, อีนหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายกับสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งนี้ก็ต้องถึงขั้นตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้จริงๆจึงจะเข้าขั้นนักเลงคือยอมทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้เสพสิ่งเหล่านี้มีเงินซื้อซื้อเงินไม่มีกู้กู้ไม่ได้ขอขอไม่ได้ขโมยขโมยไม่ได้แย่งเอาเรื่องของนักเลงประเภทนี้ต้องถึงขนาดนี้ถ้าสักแต่ว่าดื่มกันสนุกเป็นครั้งคราวเช่นเวลามีงานเลี้ยงเป็นต้นยังไม่นับว่าเป็นสนทนักเลงหมายเลขสี่ นักเลงค้าของเถื่อนหมายถึงคนที่ปักใจประกอบอาชีพในทางค้าของเถื่อนเช่นของหนีภาษีทำธนบัตรปลอมค้าธนาบัตรปลอมปลอมแปลงสินค้าปลอมลายเซน็นปลอมเช็คเงินพวกที่หากินในทางปลอมพระใหม่เป็นพระเก่าปั๊มพระเสร็จแล้วเอาลงหมกโคงน 2-3 สวัน ควักขึ้นมาจำหน่ายจ่ายแจกอ้างว่ามาจากกรุนั้นกรุนี้พวกนี้ก็รวมอยู่ในสังกัดนักเลงเบอร์สี่นี้เหมือนกันตายแล้วตกนรบอเวจี v G ด้วยกันคือเว้นเสียแต่ทำด้วยศิลปะไม่ได้โกหกหลอกลวงกรุสนามหลวงก็ให้บอกกันตรงๆว่ากรุสนามหลวงเป็นไรนักเลงหมายเลขก5นักเลงขี้ชอ่อ หมายถึงคนที่ปักใจหากินในทางโกงคนอื่นใครเผลอไม่ได้พอโกงได้โกงพอตู่ได้ตู่ปั้นพยานเท็จทำหลักฐานเท็จทำโฉนดเท็จรวมความว่าหากินทางโกงเขาก็แล้วกันพวกหากินทางต้น ม, มนุษย์ก็รวมอยู่ในประเภทนี้คือตีหน้าปั้นเรื่องหลอกเอาเงินคนอื่นซึ่งข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็เคยโดนมาแล้วหกครั้งในชีวิตนี้ มาเดี๋ยวนี้ชักรู้ไถ่เสร็จแล้วต้มไม่ค่อยสุกง่ายๆแต่ก็โดนพอขนาดอุ่นๆหลายหนเหมือนกันนักเลงหมายเลข6นักเลงอันธพาลบางทีท่านเรียกว่านักเลงหัวไม้ทําไมจึงเรียกว่าหัวไม้ยังอธิบายไม่ออกเห็นจะเป็นที่หัวแข็งกระมังนักเลงประเภทนี้ชอบหาความสุขด้วยการรังแกคนอื่น ที่จริงตัวเขาเองก็ทราบว่าคนที่ถูกรังแกนั้นได้รับความเดือดร้อนแต่ทีนี้ว่าถ้าไม่ได้รังแกใครตัวเขาเองเกิดไม่สบายมันให้กลุ้มอกกลุ้มใจเลือดลมชักเดินไม่สะดวกต้องให้ได้รังแกคนอื่นเสียแล้วจึงจะสบายคล้ายคนเป็นบิดให้ได้เข้าส้วมเสียหน่อยค่อยยังชั่วสบายใจดีแต่พอออกจากส้วมยังไม่ทันไกรก็มีให้ อันอยากเข้าไปอีกทั้งทั้งที่เขาเองก็รู้ว่าซ้วมไม่ใช่ห้องนอนรวมความว่าคนที่ทางศาสนาชี้ตัวไว้ว่าเป็นนักเลงมีอยู่หกประเภทเท่านี้ตรวจดูในบัญชีของพระแล้วคนที่เราเราท่านท่านคิดว่าเป็นนักเลงหายไปเสียแยะแต่จะอย่างไรก็ตามที่พระท่านเอาขึ้นบัญชีไว้หกประเภทนี้เฉพาะที่ร้าย ซึ่งถ้าใครไปผูกสมัครรักใคร่เขาแล้วมีหวังต้องช้ำใจเท่านั้น